ซึ่งจะเห็นได้โดยพิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลที่แสดงไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยตันหาข้างต้นในที่นี้จะกล่าวไว้เพียงโดยย่อกล่าวคือผลดีของฉันทะประการแรกไม่ทำให้เกิดการทุจริตแต่ทำให้เกิดความสุดจริตความขยันความอดทนความซื่อตรงต่อ ง, งาน และแม้แต่ความซื่อตรงต่อเหตุผลที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติผลดีของฉันทะประการต่อไปคือทำให้ตั้งใจทำงานนําไปสู่ความประนีตความดีเลิศของงานเพราะไิสัยไฟสำเร็จทำจริงจังเอางานและสู้งานผลดีของฉันทะประการต่อไปคือตรงข้ามกับความสับสนซับซ้อนในระบบ และการคอยจ้องจับผิดกันจะมีความร่วมมือร่วมใจการประสานงานและการมีส่วนร่วมเพราะต่างมุ่งผลสำเร็จของงานที่เป็นจุดหมายร่วมกันไม่ใช่มุ่งสิ่งเสพสเวยเพื่อตั ว, เ พ, ตวเพื่อตนที่จะต้องคอยฉกฉวยเกี่ยงแย่งชิงกันผลดีของชันทะประการต่อไปคือเนื่องด้วยการกระทําเป็นไปเพื่อผลของมันเอง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 ปีติปราโมทความสุขและความสงบตั้งมั่นของจิตใจหมายเหตุเชิงอัดความตอนนี้อาจยกเอาคำบรรยายการเจริญอนาปานาสติในมหาวัคคณาปานากถาขุตกรนิกายปฏิสัมพิทามักเป็นตัวอย่างประกอบณที่นั้นท่านกล่าวถึงว่าเมื่อผู้เจริญอนาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ ฉันทะก็เกิดขึ้นเมื่อฉันทะเกิดขึ้นลมหายใจก็ละเอียดขึ้นกำหนดลมหายใจนั้นต่อไปปราโมทก็เกิดดังนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ในทางธรรมจึงจัดฉันทะก็เป็นอิทิบาทอย่างหนึ่งอิทิบาทเป็นหลักสําคัญในการสร้างสมาธิฉันทะจึงทําให้เกิดสมาธิซึ่งท่านให้ชื่อเฉพาะว่าฉันทะสมาธิ และจึงเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพจิตตรงข้ามกับตัญหาที่ทำให้เกิดโรคจิตแม้ในกรณีที่ทำไม่สำเร็จคือไม่สามารถทำให้ผลของการกระทํานั้นเกิดมีจนลุล่วงถึงที่สุดฉันทะก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ทำให้เกิดปมปัญหาในใจทั้งนี้เพราะการกระทําที่สาเร็จผลหรือไม่ก็คือความเป็นไปตามเหตุผลเหตุเท่าใด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 ตามหลักฝ่ายอภิธรรมถือว่ามานะมีโลภะเป็นประทัดฐานและเกิดจฉพาะในจิตที่เป็นโลภะมูลหรือโลภะสหรกตตะคือประกอบด้วยโลภะพูดอย่างง่ายๆมานะก็สืบทอดมาจากตันหานั่นเอง